ชาวๆอย่างนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายตรงทั้งจิตทั้งใจเมื่อถึงมีโอกาสในวาระของการเกิดของความเป็นมนุษย์เรามีแต่โอกาสที่อยู่ในโลกของความวุ่นวาย องค์สมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนยใช้ชีวิตเนี่ย อ, อยู่ในความประมาทผาดพังอยู่เสมอประเมอเพิ่อพ บ, พบในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในการเกิดของเราในในชาตินี้ก็เหมือนกับมนุษย์ที่อยู่กับแสงสี ยังยินดีที่ปู่ตาจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุของกิเลส ท, ที่มันมาหลอกเราเมื่อวานนี้เราได้สอนเป็นอรยญาบุคคลนักปฏิบัติที่มาทีหลังก็ไปขอเทพไปฟังก็แล้วกันเราก็จะไม่รอ จะต่อไปเลยอันดับแรกนักปฏิบัติทั้งหลายก็กำหนดไว้ที่ใจก่อนปฏิมันเต้นทุบๆมาถ้าสร้างมโนโมนโนก็หมายถึงว่ากระสินนั่นเองก็คือเพ่งไปที่ใจให้สว่างเหมือนกับดวงจันทร์ก็ได้แล้วก็ยิ้มเข้าไว้ก่อนที่จะทำอย่างนี้เนี่ย เราได้สอนไว้ตั้งแต่วานว่าค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้เต็มท้องเต็มปอดแล้วก็ค่อยๆคา ย, ย, ยลมหายใจจนท้องแห้งสักสามครั้งการที่เราทำแบบนี้เนี่ยในขณะที่เราบาเพ็ญเพียร เ, เดี๋ยวมันก็จะละเอียดขึ้นนะจิตของเราเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นเหมือนกับ เรานั้นได้เคยฝึกอยู่ในกิเลสความดีใจเสียใจความตกใจความกลัวความรักความกล้าความหลงเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยแปรปวนตามอารมณ์ของกิเลสระบบร่างกายการหายใจก็ไม่ปกตินั่นเราก็มีพื้นฐานอยู่ที่การหายใจในการปรับเปลียนคือหายใจเข้าโพด ใจออกโทพุทธแปลว่าผู้รู้นักปฏิบัติจะต้องรู้พื้นฐานของการปฏิบัติรู้เหตุรู้ผลถ้าไม่มีต้นเหตุมันจะเกิดปัจจ์ ป, ปัจจัยในสิ่งที่เราเป็นทุกข์ทำไมเราจึงต้องเสียใจทำไมอะไรมันทำให้เราผิดหวังตันั่ง ฟังแม่ชีเมื่อวานนี้แล้วประกอบฟังคนที่เขาถามกันได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างทุกคนก็มีความทุกข์กับความรักนะจากพ่อแม่จากสามีภรรยาจากคนที่คาดคิดคาดหวังไว้ทำให้จิตใจมัวหมองเพราะว่าเหล่านั้นมีหมองแต่ไม่คิดถึงตัวเอง เพราะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามัวโง่งงายเป็นวัวเหมือนฝ่า ย, ายตัวใหญ่เสียเปล่ามีกำลังเยอะแต่ว่ามักจะเอาเรื่องของเขาอะมาใส่สมองเรา <c oughs> แสดงว่าคนที่มันโง่เนี่ยมักจะเอาเรื่องของคนอื่นก็คือนิวรณ์ทั้งห้านั่นเอง คนที่จะเป็นอริยบุคคลได้จะต้องรักษาศีลสมาธิปัญญาพื้นฐานของศีลก็คือความสำรวมทางกายวาราและก็ใจประวัติศีลผู้มีบอ่อความมีความบริสุทธิ์่อรวบรวมศีลเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ภาวะของสติ เมื่อมีสติสติก็คือความรู้ตัวเนี่ยเรามารักษาศินสงบกายสงบวาา่าใจแล้วก็สงบใจก็คือระจากความวุ่นวายจากบ้านมาอยู่สภาวะการบำเพ็ญเพียรตัมบะเบลบาลามีตมบะก็หมายถึงว่ามีความแรงมีความแข็งมีความแก่งกล้ามีความเด็ดเดี่ยวก็คือสมาธิ สมาธิก็คือความตั้งใจมั่นเมื่อเรามั่นใจแล้วก็ตั้งใจมาแล้วเนี่ยเราก็กำหนดใจของเรากำหนดกายกำหนดวาจาที่เราเคยฟุ้งซ่านพูดคุยโดยที่ตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเป็นบุคคลที่เพอเจอละเมอเพอ้อพบมาตลอดเหมือนคนบ้าขาดสติไร้ปัญญา เ็เรามาฝึกสติในพื้นฐานสติคือความรู้ตัวในขณะนี้ที่เราฝึกมาในียเรารู้ตัวเลยว่าเราจะกำหนดอย่างไรก่อนที่ลุงพ่อบอกมาข้างต้นเมื่อเรากำหนดรู้ใจของเราแล้วเนี่ยตั้งความสว่างยิ้มเข้าไว้ในใจพอยิ้มเข้าไปในใจเนี่ยก็มองเห็นใจ ที่มันเต้นเตอยู่เนี่ยให้สว่างเหมือนกับดวงจันทร์ที่มันเต็มดวงก็ได้ไปต้องเอาสว่างสวยัยจนถึงก็เขาลูกนี่สว่างไปทั้งลูกนลยคาว่าสว่างก็คือปัญญาเมื่อเราขึ้นสมถะมองเห็นใจเราแล้วเราก็สร้างใจของเราเนี่ยมนโนเนี่ยเห็นตัวเองในขณะนี้ เมื่อเห็นตัวเองเนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยกำลังนั่งอยู่นั่งทําไมก็กําลังภาวนาอยู่เนี่ยเรียกว่าสติประกอบเข้ามาด้วยสมถะวิปัสนาเมื่อเรามีสมถะสมถะก็คือการพิจารณากายในกายนั่นเองเมื่อเราพิจารณาเห็นใจตัวเองปกติเราก็เคยเห็นใจคนอื่น วันนี้เราก็มาเห็นใจทําใจของเราเนี่ยให้โป่งสว่างทํำยังไงทํำยังไงให้ใจสว่างใสได้ใจก็ไม่หวา้าวุ่นใจก็คิดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอถามใจตัวเองก่อนว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเมื่อจิตใจเราไม่วุ่นวายเนี่ยเราก็ถามใจเราอีกรู้เข้าไปในใจว่า นี่ไม่ขัดข้องหนอเห็นไหมเราไม่ขัดเคืองใจความรู้สึกเราในขณะเนี้ยเราไม่กุ่นเคืองใจไม่ขัดใจเราไม่วุ่นวายหนอเราไม่กุ่นเคืองใจหนอเห็นไหมเราไม่ขัดข้องขุนเคืองใจซะแล้ว เราก็รู้สึกว่าเราทำใจเนี่ยให้ว่างนะว่างหมายถึงว่าใสาสะอาดํำจัดความรู้สึกต่างๆออกไปเต็นความนึกคิดปรุงแต่งใดๆจากฌานยานอะไรนี่ละทิ้งหมดให้มีสติรู้ว่าเรากำลังทำสมาธิอยู่แล่เรากำลัง เ, เข้าใจเขาเรียกว่าฝึก เรามีแต่คนอื่นนะเข้ามาในใจเราเรียกใจก็คือจิตวิญญาณก่อนที่เราจะเป็นอารยาบุคคลเนี่ยเราจะต้องมีศีลสมาธิมีปัญญาศีลประกอบด้วยหลายอย่างเราก็รักษาศีลแปดเราจะไม่พูดถึงศีลแปดว่ามีอะไรบ้างสรุปแล้วศีล น, นี้ต้องมีสัจจะ สัจจะบารมีสัจจะก็คือความจริงความจริงตัวนี้ก็คือความจริงใจนั่นเองก็คือความตั้งใจมั่นก็คือสมาธินั่นเองมันจะวนไปเวียนมาโยถ้าเรานั้นไม่มีความคล่องไม่มีไม่มีความรู้ในพื้นฐานของการปฏิบัติเราก็จะวกไปเวียนมามึน ง, งงอยู่ในตัวเรานี่แหละแล้วพอ เหตุการณ์หรืออาการของจิตเนี่ยแปรปรวนในสภาพที่เราไม่เคยสัมผัสรู้มาก่อนอย่างเช่นเกิดปิติในขั้งต้นๆเชื่อว่าหลวงพ่อสอ น, นทุกคนเนี่ยอาจจะเกิดการอาการปิติปิติก็หมายถึงว่าบางคนก็เหมือนกับโยกเอเหมือนกับจะลอยๆก็มีบางคนก็เหมือนกับ ว่าขนรุกขนผ่องเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็เหมือนกับน้ําตาไหลเหมือนกับจะร้องไห้เอ๊ะทำไมเราร้องไห้น้ําตาเราจึงไหลบางคนนี่น้ําลายยืดเหมือนกับเราหลุดพ้นไปอย่างไงแต่ว่าเรารู้ว่าเอ๊ะทาไมเราบังคับตัวเองไม่ได้บางคนก็สั่นเหมือนปุกพระเรียกว่าิปิติในอันดับต้นๆนินน ด, นดๆเท่านั้นเอง ศรัทธาก็คือความเชื่อนะต้องมีความศรัทธามีความเชื่อในคุณงามความดีเท่านั้นดีตรงไหนดีอยู่ที่ใจสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจบที่ใจใจก็คือจิตปัญญาของเราเมื่อจิตปัญญาของเราที่เกิดมาเนี่ยมันตกล่นอยู่ในสภาพของอิเลสบ้างนะอิเลสก็คือ ความโลภ ค, ความหลงทำให้จิตใจเราหมวงเราก็มีตัดความโลภตอนนี้เราก็ไม่มีความอยากได้อะไรฌานญาณบา ร, รมีอะไรเราก็ไม่อยากได้ตบะเดชะอะไรทั้งหลายไม่อยากได้เราอยากได้สติปิตก็คือความรู้ตัวอยู่เสมอในขณะนี้แล้วเรามีโอกาสที่ได้ฟังหลวงพอ่อ วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้มีแต่โอกาสคิดแต่เรื่องงานคิดแต่เรื่องคำพูดของของคนคนในครอบครัวก่อนไหนจะลูกไดนจะสามีภรรยาไหนจะญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิสหายในหน่วยงานในบ้านของเราเนี่กเขาวุ่นวายพอสมควรแหละวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราแทบจะไม่มีโอกาสคิดถึงตัวเองเหมือนในขณะนี้ ในขณะนี้เนี่ยพอจิตเข้าสู่สภาวะสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อเรามีความมั่นและมีความสว่างมีความรู้เห็นตัวเองก็เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและตอนนี้เรามีโอกาสเป็นตัวของตัวเองแล้วในขณะ น, นี้เราไม่พังเผอให้กิเลสคือความโลบโกรธหลงเนี่ย มาเกาะกินใจอยู่ในความนึกคิดของเราในขณะนี้ยิ้มเข้าไว้ัวยิ้มตัวนี้ก็ตัวที่เป็นเมตตาทาให้จิตใจเราที่กระด้างกระเดื่องอารมณ์ที่มันเคยขุ่นเคืองเนี่ยหม่นหมองเนี่ยมันก็จะผลิตสารออกมาผลิตสารออกมาสารก็จะมาผ่อนคลายสภาพของความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหัวใจ เมื่อผ่อนคลายเสร็จร่างกายก็จะขับสารที่มันเป็นโทษออกก็คือความร้อนนั่นเองความร้อนของก้ามเนื้อที่เราทำงานตะเกียกตะกายความคิดความปรุงแต่งการหายใจของเราที่ไม่เป็นปกติเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นพลังงานที่ มากนะเหมือนเราสมไฟในน้อยเนี่ยก็ร้อนน้อยหน่อยอยากให้มอข้าวเนี่ยมันร้อนไวๆสุกไวๆก็เสริมไฟเข้าไปเห็นไหมเรานั้นเสริมกิเลสคือความเร่าร้อนเผาผานจิตใจเผาผานการกระทําการเวลาเราเนี่ยตลอดเวลาตอนที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวรู้ตนเลย <c oughs> แต่ในขณะนี้เนี่ย เรากำลังดับไฟเห็นไหมดับไฟก็คือดับความราคะโลรพโทสะโมหะเนี่ยดับจากติดใต้สำนึกจากกายก่อนร่างกายของเราเนี่ยมันมีความเร่าร้อนของกิเลสปัญหาราคะมากมายกายกองมาหลายพบหลายชาติ มันเป็นสันดานสันดานก็เป็นอุปนิสัยของเราแล้วเนิ่นนานอุปนิสัยของเรานั้นเกิดมาจากเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจากภูมิพ บ, บางคนก็เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติก็คือมีรูปรักษ์ที่สวยงามรู้ผิดถูกช่วดีรักษาสินได้แต่ถ้าลงมาอยู่กับกลุ่มของสัตว์เดรัจฉานความเป็นมนุษย์เราก็เริ่มหมดไป ทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ตอนนี้เข้ามาวิปัสสนากรรมฐานแล้ววิปัสสนาก็คือตัวปัญญาร่องรู้รู้ที่มาที่ไปของการเกิดล้วเพราะนั้นจะเผอไม่ได้คนที่จะเป็นอริยะบุคคลอริยะก็หมายถึงว่าอัจฉริยะนั่นเองแต่ทางบาลีผมไม่ทราบว่ามันแปลว่าอะไรแต่ผมแปลว่าความเป็นอัจฉริยะก็คือความฉลาด เมื่อก่อนเราโง่กว่ากว่าจะมาฉลาดรู้ตัวรู้ตนมารักษาศีลได้จะมาดูมาฟังคนที่พูดละความชั่วมาประกอบกรรมนีได้เนี่ยโอ้โหมันจะต้องใช้เวลาใช้การบาเพ็ญเพียรอย่างมากเพียรก็หมายถึงว่าเพียรพยายามเมื่อมีความเพียรพยายามแล้วเนี่ยเราก็มีมานณปอดทนก็คือขันติ ละจากสามีภรรยาละจากงานการที่จะต้องได้เงินได้ทองละจากความสุขก็คือกิเลสก็คือการกินการอยู่การเที่ยวเตะการสนองสนานก็คือร้องลาทําเพลงแต่เรากับละทุกสิ่งทุกอย่างละตัดเวลาของเราเนี่ยมาอยู่แค่สองวันบ้างสามวันบ้าง ต้องขออนามทนากับคนที่อยู่ถึงเกวันหเก้าคืนมันก็น้อยนะขนาดพระขนาดลูกเนนแม่จีเนี่ยก็ยังขาดทำวัดก็มีอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องเนี่ยจ่ออยู่ปลายจมูกก็ยังไม่รู้รสรู้กลิ่นนเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติล้วนแล้วแต่จระเวลาแล้วก็เสียเวลา เสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรามาได้ได้ทรัพย์ภายในคำว่าทรัพย์ภายในก็คือนี่แหละมาซับพอร์ตตัวเองมารวบรวมสติปัญญาให้กันตัวเองเพื่อจะได้ขึ้นเป็นอริยบุคคลความเป็นอริยยะเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เฉพาะตัวเฉพาะตนของเราอยู่แล้ว คนที่มีความเป็นอัจฉริยะเนี่ยก็จะมีสภาวะผู้นำในสูงก็คือมีความคิดเรียนรู้อะไรเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ได้ไวกว่าคนอื่นเรียกว่าคนฉลาดนั่นเองมันมีติดตัวติดตนเรามาแต่เราเนี่ยมาเหมือนกับว่ายน้ำอยู่กลางทะเลคนที่มีขอนเกาะก็คือมีทุนเก่าบุญเก่า เขาก็ใช้กําลังน้อยไว้น้อยหน่อยเพราะมีสติปัญญาที่เกาะที่รู้จักคิดจกักอยู่จักกินจักเก็บนั่นเองคนที่ไม่มีขอนเลยแล้วไม่รู้ทิศรู้ทางว่าการทะเลเนี่ยไม่รู้ว่าฝั่งมันใกล้มันไกลอยู่ตรงไหนมันเคว้งคว้างมองหาพี่ขึ้นไม่ได้เนี๋ยว่ายไปเดิกนการท้อแท้เบื่อนหน่ายแล้วก็กวนตายนะคนกลัว คนโง่ก็คือความกลัวนั่นแหละเมื่อเราเป็นอริยบุคคลเราก็พิจารณาของสมาถะสมาถะก็เกิดการพิจารณาเข้าไปในจิตเยียกว่าจิตใต้สำนึกจะได้มีเหตุมีผลมากขึ้นเมื่อเราพิจารณาเห็นตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยขยับไปอีกแล้วเมื่อเราเห็นตัวเองเรานั่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็พิจารณาว่า นอชีวิตทุกอย่างในโลกเนี้มันสมมุติหมดความ ร, รักมันก็สมมุติความโกรธก็สมมุติมันเกิดขึ้นเองมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะบอกเป็นอริยบุคคลอริยเจ้าอาริยสงอย่งางัยไม่ถึงเป็นอริยบุคคลก่อนคนที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยต้องรู้เหตุเหตุของการเกิด เหตุของการดับเกิดดับเกิดดับใช่ไหมเมื่อเราเกิดอย่างไรเราจะดับอย่างไรก็เดี๋ยวจะไปโยงถึงนิวรณ์ทั้ง5เป็นอริยบุคคลเสร็จก็จะเป็นอริยสงฆ์อริยะเจ้านะคนที่เป็นอริยสงฆ์เนี่ยจะต้องมีสมถะมีวิปัสสนาจะต้องมีศีลสมาธิมีปัญญาก็จะต้องประกอบด้วยสมถะ วิปัสนาแล้วก็สมถะ ก, ก็คือการพิจารณากายในกายนั่นเองเมื่อเราพิจารณากายในกายก็คือร่วงรู้ในตัวตนก็คือตัวปัญญาปัญญาก็กอบคู่กันด้วยปัญญากับสติสติก็คือความรู้ตัวหลวงพ่อพยายามสอนวกไปเวียนมาให้เราเนี่ยละเอียดแล้วก็รอบคอบนะหวานร้อมให้เราเนี่ยรู้ ไปที่มากลัวจะขาดสติเข้าเมื่อเราเข้าไปสมถะคือการพิจารณากายในกายว่าโอ๋นอมนุษย์เกิดมาเนี่ยล้วนแต่สมมุติบ้านช่องก็สมมุติเห็นไหมร่างกายเราก็สมมุติร่างกายเราก็สมมุติว่าชื่อนายนั่นนางนี่แต่ปู่ญาตาทวดที่อยู่เนี่ย เขาก็ชื่อแบบเรานี่แหละแต่เขาไปไหนกันหมดทําไมไม่ล้นเมืองล้นโลกฮะก็มันดับเกิดแล้วก็ดับฮะเหมือนอารมณ์เราในทั้งเกิดแล้วไม่ดับเป็นไงก็ขาดสติเห็นนีมเขาบอกอยากขาดสติสีตั้งสติดีๆคิดดีๆตั้งใจดีๆเห็นไหมคนที่เขาสอนแต่เรานั้นได้รู้คําพูดเนยรู้คําพูดคําจาเรียกว่าวัจจิกมเห็นไหม มนโนก็คือใจเมื่อใจเราเนีไม่มีสติไม่มีมนเหตุไม่มีจิตได้สานึกที่จริงเนี่ยไม่มีสติปัญญาจริงๆเนี่ยก็เลยไม่รู้เหตุก็คือความฟุ้งซ่านก็เกิดขึ้นเห็นไหมความฟุ้งซ่านความรังเรใจความสงสัยนี่เนี่ยเรียกว่าทิฏฐิมานะถือตัวถือตน เป็นเจ้ามึงกูเป็นนายมึงกูเป็นผู้ใหญ่กูเป็นกำนันกูเป็นนายกกูเป็นรัฐมนตรีกูเป็นนายอำเภอกูเป็นผู้ว่ากูเป็นประลัดเป็นอธิบดีเห็นไหมไอ้ประหลัดไอ้นายกไอธิบดีอะไรทั้งหลายเนี่ยเมือกลับไปบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับโง่เป็นควายเหมือนพวกเราเนี่ยนะไม่ได้เป็นดำาหน่งเขา คนพวกนี้ก็หลงอยู่ในอำนาจนะคนเขามีอำนาจมีวาสนาวานาในมันตัวเป็นยังไงก็คือคนที่มีปัญญานั่นเองคนมีปัญญาเนี่ยก็เรียนรู้อะไรได้เช่นเช่นเรียนหนังสือเ้าก็จดจําได้มากกว่าคนอื่นการทํางานก็หาทางหาหุบายถ้าโลกภายนอกก็เรียกว่าสัมมนา ไปดูสมัมมนาไปดูงานงานนั้นงานนี้เพื่อให้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการคิดได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เห็นรูปรูปนามไงแต่ทางพักก็เรียกว่ารูปนามได้เห็นแต่ัางนอกเนี่ยเ้าเห็นแล้วเ็าอยากได้แต่ทางองค์สมมาธรมพุทธเจ้าว่าให้เห็นแล้วดับไปคือไม่อยากได้ เมื่อเราเห็นกายเราตั้งอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับเราก็คิดว่าเกิดมาแล้วจะต้องตายในที่สุดเราไม่เห็นว่าเราจะย่องอยู่เป็นร้อยปีพันปแีแหวนเงินทองบ้านช่องของเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาไว้ได้เนี่ยวไว้ได้หยุดยั้งความตายไว้ไม่ได้มันก็เกิดความหดหู่ใจเห็นไหม เมื่อเกิดความหดโหดใจในความโลภที่มีความอยากได้เนี่ยก็หดเลยเมันหางด้วนเลยนะเหมือนเราตัดหางเราออกไปเลยเลยคดีเขาพูวัดตัดหางปล่อยวัดมาอยู่วัดยังงอกเขียวหางยาวอีกก็มไม่ไหวแล้วคุณโยมเมื่อเรามาปฏิบัติสมถะสมถะก็คือการพิจารณากายในกายว่าร่างกายเราเนี่ยยังเอาไว้ไม่อยู่ ร้วนจะเป็นอันนิจจงเป็นของไม่เที่ยงอารมณ์เราก็ไม่เที่ยงเพราะเราไม่เคยฝึกสติสติมีความรู้ตัวมาก่อนมันก็ต้องบังคับกันผูกเข็นกันด้วยเหมือนกับธรรมชาตินะต้นไม้จะขาดน้าก็ต้องตายชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะพอพูดถึงธรรมชาติ การน้ําเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันแต่ในขณะนี้เนี่ยที่เราจะขาดใจโถลนทุลายใจไม่สบายใจเนี่ยมันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดความรู้สึกว่าเสียประมาณวันเช้าเนี่ยพระไปรอที่กุฏิแต่เช้าเลยว่าลูกติดเชื่อในกระแสเลือดเบือนท้องก็ไม่พอยังขาดสามหมื่นเจ้านโฉนดไปให้ตั้งแต่เช้ามืดเนี่ย มันคิดได้ยังไงนะเพราะคนเรามันขาดสติแล้วเพราะมันไม่ได้เกิดเหตุทุกเกิดปัจจัยกับตัวเองหลงพ่อก็รู้แล้วก็เข้าใจแต่เราอ่ะมันไม่เคยถูกฝึกมาก่อนว่าความเสื่อมสลายความที่เป็นของอันนิจจงเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นไม่ตัวเราก็ต้องเป็นญาติเราไม่เป็นตัวเราก็ต้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อน เป็นฝูงกันที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติต้นไม้ใหม่มันก็งอกอาศัยโดยต้นไม้เก่าที่ล้มตายลงไปเป็นปุ๋ยต่อไปก็เหมือนกับชีวิตเราเนี่ยกว่าจะรำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยพ่อแม่มาเมื่อพ่อแม่แก่ชราก็ล้มตายลงไปเราก็งอกงามด้วยการได้ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ ได้ฐานสติปัญญาได้รูปรักษ์รูปนามของมาจากพันธุ ก, กรรมของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายมาพ่อแม่เป็นโรคอะไรลูกก็จะเป็นตามเรียกว่าพันธุ ก, กรรมเรียกว่ามันติดตามกันมากรรมมันเป็นเผ่าพันเรียกว่าพันธุ ก, กรรมเมื่อเรารู้เหตุแล้วเนี่ยเราก็กำหนดเมื่อเรามีความหดหู่ใจเนี่ยสติมันก็เกิด เมื่อสติเกิดรู้เหตุปุ๊บปัญญามันก็รู้ทันร่างกายว่าโอ้เนอวันหนึ่งถ้าเราโกรธเนี่ยเราเครียดเนี่ยประเพณีมันก็มีสารออกมาหลังสารออกมาร่างกายมันก็หลังหินปูนตามข้อตามกล้ามเนื้อเนี่ยมันร้อนมากเหมือนเครื่องเนี่ยมันร้อนมากเนี่ยเราไม่พักมันเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหว แต่เราลองนึกซิว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราได้เคยมาพักตัวเองอย่างนี้บ้างไหมพักกายพักใจอย่างนี้ได้ไหมเมื่อเราพักกายพักใจเนี่ยอย่างนี้เนี่ยไม่เคยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ชินต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆรู้สึกดิ่งรู้สึกสบายแต่พอเราได้เคยชินอารมณ์ที่มันมีสติเล็กน้อยเนี่ย เราก็รู้สึกพังเผอเริ่มจะเจ็บขาปวดนั่นปวดนี่เริ่มจะสงสัยใครมันไอใครมันร้องใครมันตะโกนใครมันเสียงอะไรลาคาญเสียงคนนั้นคนนั้นมั้งคนนี้มัง้งมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเราก็เคยจามเคยไออย่าไปตําหนิเขาคนที่จามคนที่ไอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมันไม่เกี่ยวกับเราบําเพ็ญเพียร เ, เลยเห็นไหม ก็คือหมายถึงว่าอารมณ์ที่มันเป็นโลคาพยาธิเป็นที่มันรู้สึกว่าระคายเคืองทั้งจิตใจและกายเนี่ยมันออกมาเพราะนั้นเราไม่สำรอกออกมาเนี่ยือเราไม่พูดไม่ระบายออกมาเนี่ยบางทีมันก็ติดอัดใจนะอัดอั้นใจพอเราเข้าสู่สมถะเสร็จวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะของคู่กัน สุขทุกข์หนึ่งก็เป็นของกู้กันเมื่อเราเป็นอริยบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่ตายวาจาใจเนี่ยมีความถึงพร้อมก็คือความบริสุทธิ์เรารู้สึกว่าร่างกายเราเบาสบายเหมือนในขณะเนี่ยร่างกายเรารู้สึกเบาช่วงบนแต่มันเป็นหนักช่วงล่างเห็นไหมช่วงล่างก็คือทั้งช่วงขามันก็รู้สึกว่า เจ็บป่วยเมื่อยนั่งไม่สนัดแต่จริงๆแล้วเป็ น, ป, นปกติแต่มีหลายท่านมากนั่งนั่งแล้วหัวห้อยลงมาไอหัวห้อยนี่หมายถึงว่า น, นิ่งเป็นหลับฮะเพราะเรายังชินอยู่คนที่ทำสมาธินี่ถ้าหัวห้อยในจบแล้วมันไม่มีสติที่จับคับประคับประคองตัวเองเขาถึงบอกว่าให้ตัวตรงเขาฮะ เราไม่ยอมฝืนมันก็จะชินนะเหมือนกับพระบางโูกเป็นนั่งหัวห้อยเราจะต้องนั่งตัวให้ตรงแสดงว่าอารมณ์เหล่านั้นตั้งตรงแล้วอารมณ์เหล่านั้นแข็งพอเข้มแข็งพอที่จะฝืนความรู้สึกได้ปณามาก็ฟังแล้วก็เห็นเห็นพระบางโลกก็นั่งตัวตรง บางรูปแม่ชีก็หัวสับประโกกโงงงุ๊บโงงุงง๊บแสดงว่ายังไม่ตั้งมั่นนะยังขาดสติในองค์ภาวนาอยู่เมื่อเราอยากเป็นอริยบุคคลก็เป็นอริยสงฆอริยเจ้าเมื่อเรามีสมรถะรวมทั้งมีวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเมื่อถึงพร้อมแล้วเนี่ย คนที่จะเป็นอริยะเจ้าหรืออริยะสงได้ต้องปิดปิดนิวรณ์ทั้งห้าให้ได้และปิดประตูหน้าต่างนิวรณ์ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโอดถับพระเมื่อเรายังหลงอยู่ในรูปรูปรักไม่ปิดไม่มองเห็นว่าโอ้โยมนี่หน้าตาสวยเนี่ยเราเห็นว่าอ๋อมันก็เหมือนกันสกสบสร้างศพ มีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีสกีเสเลสน้ำลายมีขี้มูกมีขี้ตามีขี้หูผมถ้าเกิดไม่หวานไม่ไม่หวีไม่ทำตรงนั้นตรงนี้ก็เหมือนผีกระซะกระเสิตาถ้าไม่เขียนคิ้วไม่ได้เขียนปเหมืานกับหมาขี้เลื้อนที่ว่าไม่มีขนเลยไม่มีความเป็นธรรมชาติตาที่ไม่ มันต้องเป็นธรรมชาตินะจมูกหูนี่ห้อยอะไรเต็มไปหมดมันไม่เป็นธรรมชาติเราก็นึกถึงหน้าคนนี้มันเป็นแก่ลงสวยแค่ไหนมันก็ต้องแก่ชลา่ารูปรถเนี่ยยังติดอยู่การกินอยู่ยังติดว่ารถนั้นดีรถนี้ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ตำหนิเรื่องอาหาร รสเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ยินดีรู้สึกเฉยรู้สึกวางเฉยเวลาจะกินจะนอนก็ต้องพิจารณาว่านอนเนี่ยเราก็จะนอนโดยที่ไม่ขาดสติเราจะพิจารณาหมรา น, านุสติในขณะนอนเนี่ยต้องพิจารณาว่าผีที่มันตายเนี่ยมันประสานมือกาดอกไม้ทูบสามดอก กระเทียนเล่มหนึ่งแล้วก็มีสายสินมัดอยู่ข้อมือนอนเสร็จเนี่ยร่างกายเราก็เน่าเปื่อยจะต้องเน่าหนอนชอนใจจะต้องมีน้ําเหลืองอมันไหลออกหนังก็ยุ่ยตัวก็เปื่อยไปท้องก็พองหนอนก็กินหยบหยับหยบหยับเมื่อเราเห็นตัวเราปองเป็น อสุภะก็คือการองค์เป็นศพก็คือความตายประนอนก็มีสติและพระอริยสงฆ์ปราเห็นก็องเป็นความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาเมื่อเรายึดว่าคนนี้สวยคนนี้หล่อเนี่ยเราก็อาจจะไปเผยยินดีเขาก็เป็นทุกข์ได้ยินดีพอบใจก็อยากเมื่อมือมีพระมีความชอบใจเราก็ ประเมิ้นเพือพบอยากถูกต้องอยากจับอยากสัมผั์อยากเอามาเป็นเจ้าของเห็นไหมกระสออาการต่างๆนานาให้เห็นว่าเรามีความยินดีมีความต้องการนะแต่ท้ายสุดเนี่ยมันก็ต้องแค่เปเสพกรรมกันเสพกรรมเลยกอเอ้ยกอไก่เนี่ยมันก็จะต้องมีการเกิดเกิดอาการต่างๆนานาเกิดลูกเกิดเผาพัน์ เรียกว่าพันธุกกรรมแล้วถ้าเกิดไม่ยินดีพอใจก็เกิดการทอดทิ้งมีความสูญเสียก็เสียออกเสียใจฆ่ากันทำร้ายกันคนที่จะเป็นอริยบุคคลเนี่ยจะต้องรักษาศีลสมาธิปัญญาจะ ต, ต้องมีสมถะแล้วก็มีวิปัสสนารู้เหตุรู้ปัจจัยในตัวตนเพื่อมีให้ตัวตนนี้ไม่หม่นหมองและรู้เหตุที่จะเกิดขึ้น การเป็นอริยะบุคคลก็เป็นอริยะสงฆ์กว่านประสงค์หรือโยมเนี่ยก็เป็นอริยะสงฆ์ได้เมื่อมีความเป็นอริยะสงฆ์เนี่ยก็ดับนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองรูปเราเห็นรูปนามก็เป็นของอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เสื่อมไปพรสเราก็ไม่ยึดติดรู้เปรี้ยวรู้หวานรู้ในสิ่งที่เราชอบไม่ชอบก็เฉยทำเป็นไม่รู้จะ ทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนเหมือนอารมณ์เรานักปฏิบัติในขณะนี้เนี่ยเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเราไม่มีนิวรณ์ปิดหูปิดปากปิดตาปิดกายปิดใจฟังหลวงพ่ออย่างเดียวทำใจตัวเองเนี่ยบุญบุญก็คือความว่างเปล่าเมื่อเรามีความว่างเปล่าวางทุกสิ่งทุกอย่างนิวรณ์ก็ปิด รูปเราก็ไม่เห็นหูเราได้ยินก็เคยได้ยินแต่สิ่งที่มันไม่ค่อยดีแต่เนี่ยตังหลวงพ่อแล้วก็เกิดความปิติชื่นใจได้ยินเสียงที่ดีได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารูปรถกินไปแย่งแกงถามยม อ, อปากกินเนี่ยก็คือยักษ์นั่นเอง ยักษ์มันมีกี่หน้ายักษ์มันมีสิบหน้านะสิบหน้าเนี่ยสิบสองก็ยี่สิบรูเข้าไปแล้วจมกูกเรามีสองรูเนี่ยแต่เราไปยินดีกลิ่นเนี่ยตั้งยี่สิบอย่างเนี่ยถ้ากลิ่นยี่สิบอย่างเราแยกได้นะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นหืนแต่เราทำทั้งเราในขณะนี้เนี่ยไม่ได้กลิ่นแต่ว่า ได้สัมผัสลมหายใจเข้าออกเห็นไหมออกสองลูเข้าสองลูหมายถึงออกสิบมันก็เข้ายี่สิบเหมือนกันถ้าเราออกร้อยมันก็เป็นสองร้อยเห็นไหมรวบรวมความเป็นยักษ์ยักษ์ก็หมายถึงว่ามีถึงสิบหน้าสิบหน้าก็คือโอ้โหลองนึกถึงว่าเฉพาะหน้านี่ก็มีลูเจ็ดลูแหละ ตาสองรูจมูกสองรูก็เป็นสหูอีกสองรูก็เป็นหปากอีกรูหนึ่งเป็นเจดถ้าเจ็ดสองเท่ากับสบสี่รูและสิบหน้ า, นะ 70, าล่ะเจสบเจสบรูเจสรูเนี่ยมันมีทางเข้านะไอรูทางหน้าเราเห็นก่อนตามองเห็นจมูกได้กลิ่นหูได้ยินปากได้ลิ้มรส อีกเก้าวหน้าล่ะเราก็มวัวแต่คําว่าเก้าวหน้าก็คือถอยหน้าถอยหลังเอียงข้างซ้ายขวานี่มันสับสนวุ่นวายหมดปศกันเห็นไหมมันกันไปหมดกิเลสเนี่ยมันปิดกั้นนั่นเองปิดกั้นทวารเราเนี่ยให้ไม่รับรู้ในสิ่งที่ความเป็นจริงก็คือขณะพูดในขณะนี้เราลองนึกสิว่าเจ็ดสิบรูอ่ะที่เข้าอ่ะ ออกแค่สองรูทวารหนักกับทวารเบาแล้วถ้าเกิดเราคิดแล้วเก็บเข้าไปในใจมันไม่มีรูออกเขาเรียกว่าเจ็บใจฝังใจคิดลึกเรียกว่าจิตใต้สำนึกนั่นเองกินน้ำกินข้าวเนี่ยยังถ่ายกากอาหารออกยังถ่ายปัสสาวะอุจจาระออกแต่ไอ้กินนิวรณ์เนี่ยถ้าเราปิดประตูนิวรไม่ได้เนี่ย อย่าหวังเลยว่าจะเป็นอริยสตร์อริยสงฆ์อริยเจ้าได้เมื่อเป็นอริยสงฆ์อริยเจ้าพระปัจเจกพบพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ปิดกั้นประตูนรกสวรรค์คนที่จะเป็นตกอยู่ในอวบายภิก็คือเปรอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือวัจจกก ร, รมมโนกรรมกายกรรมไงเมื่อเราตัดวัจีก็หมายถึงว่าไม่ยินดี หนิ่งเสียอุเบกขามันก็จะเกิดบำเพ็ญเพียรบารมีสติปัญญานี่มากขึ้นมากขึ้นวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมที่เราตกนรกอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือวจีกรรมก็คือคำพูดมโนก็คือการคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านโดยที่ไม่มีสติรู้ไม่มีปัญญากากรรับ วจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็คือยึดมั่นถือมั่นในรูปนามในวงตะกูลในความเป็นทิฏฐิมานะถือตัวถือตนเมื่ อ, อเราตัดวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมปิดเลยเลือกปิดปิยะวาจาเห็นไหมที่เขาปฏิบัติแต่เราก็ไม่รู้ความหมายเมื่อเราเห็นรู้เหตุรู้ผลเราปิดกัน้นความรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดแต่ความสมมุติ ร่วมแต่เป็นของอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะเมื่อเห็นตัวอนิจจังก็คือปงอสุภะอ่ก็คือสมถะก็คือกายในกายการพิจารณาตัวเองนั่นเองเมื่อเราพิจารณาแล้วรู้รู้เท่าทันว่าอานิจจังเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงความเป็นนิวรณ์เป็นอริยสง์เกิดขึ้นเป็นอริยบุคคลก่อนแล้วก็เป็นความฉลาดนั่นเองก็คือวิปัสสนากรรมฐาน แล้วคุณโยมจะงงว่าไปไปวิปัสนามาทุกคนพูดแต่เรื่องปัญญาสมถะสมถะก็คือการพิจารณากายในกายต้องแยกกันเมื่อเราเห็นเหตุเห็นตัวเห็นตนของเราเนี่ยด้วยสตดิด้วยปัญญามันก็เกิดอะไรปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อเราเกิดปัญญาปุ๊บเป็นอริยบุคคลก็ขึ้นสู่อริยสง์ พสงฆ์นี่ก็สุปฏิปันโนประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นแนวเป็นครูบาอาจารย์ก็จะต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยเพราะมีการฝึกมีการสวดมนรรมต์ทมวัดเจริญภาวนาเกสาโรมานะขาทันตาตัดโจเป็นกรรมขานกองแรกที่อุปชาได้สอนในโบทเมื่อเป็นอริยสงฆ์เนี่ยก็ต้องปิดนิวรณให้ได้ เจ็ดสบประตูอ่ะนะเจ็ดก็คือเจ้าเลขของเบ็ดเหมือนกับกิเลสเนี่ยมันเกี่ยวเบ็ดเอาเหยื่อมาล่อเราก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะพอรูปเรา ย, ยังยึดติดรูปความเป็นเผ่าพันธุ์ต้องเกิดแน่รสก็หมายถึงว่าเรายังติดรสชาติการกินการอยู่ของเราเนี่ยมันก็จะต้องไปฟ้าหากินอยู่นั่นแหละ กลิ่นนะแต่เรายังติดกลิ่นอยู่เนี่ยกลิ่นนั้นกลิ่นนี้มันก็ยังมีความยินดีต่อเครื่องปะทินโฉมก็จะต้องหลงอยู่ในตกอยู่ในอบายของความสวยความงามความหล่อก็จะต้องทุนหลนทุงลายหานะความเสื้อสีนั้นสีนี้เมื่อเรามีรูปรสกลิ่นเสียงเมื่อเรายังยินดีต่อคำพูด ยังโกรธต่อคําพูดยังยึดมั่นถึงมันมั่นกับเสียงที่ได้ยินเนี่ยยังมีความโกรธพยาบาทอาฆาตยังมีความยินดีในเยินยอสารเสริญไม่เป็นความจริงบุคคลนั้นก็ต้องหลงอยู่ในกิเลสตกอยู่ในอบัยภูมิก็ของอารมณ์นั่นเองเอาระวันนี้ให้รู้เหตุแต่ยังไม่ได้สอนลึกเข้าไปว่าพระอริยสงฆ์เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไงเป็นอริยบุคคล เป็นอริยสงฆนะ์เริ่มแรกก็เป็นเปตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติจากมนุษย์สมบัติก็เป็นอริยบุคคลเมื่อมีความเป็นอริยบุคคลก็มีความเป็นอริยสงฆ์ไล่ไปอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นอริยสงฆ์อริยเจ้าขึ้นมาเนีก็ฌานก็แปลว่าชินเมื่อเรามีสติมีปัญญาระงับได้กาหนดได้เนี่ย ก็จะเกิดยานยานแปลว่าอย่างรู้รู้แรงรู้เหตุรู้ปัจจัยไม่ใช่ ไ, ไปรู้ว่าหวย อ, ออกอะไรจะคนนั้นเป็นอย่างนี้อดีตชาติมั่วไปหมดมันเพริรเจอไปใหญ่เมื่อเราเป็นอริยสงเสร็จอีกสเต็ปหนึ่งก็มีพรมวิหารสี่ก็เกิดขึ้นมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรมนี้ก็เริ่มจะ มีบริวารเนี่ยเหมือนกันลุงพ่อเนี่ยก็เริ่มจะเลี้ยงพวกเราได้ขนาดนี้อยู่ร่วมกันโดยที่ผาสุขมีเมตตาซึ่งกันและกันมีความการุณาสงสารซึ่งกันและกันมุติตาคือไม่มีความอิจฉาหรือสัญาต่อกันเมตตากรุณามุติต า, า, า, ตาอุเบกขาคือวางเฉยแต่จะทำยังไงก็เรื่องราวมันก็ไม่เกิดขึ้น ความเป็นพมของมนุษย์ก็คือโยมก็เกิดเป็นพมตอนที่จะมาเป็นพรมเนี่ยก็ต้องเป็นเทวดาสมบัติเทวดาของมนุษย์เนี่ยก็คือกินดีอยู่ดีมีความทัดเทียมนึกอะไรก็สมปัตนาเราไม่นึกไปในเรื่องของอกุศลก็คือความชั่วเราไม่นึก เราดันนึกว่าเออเนาะการปฏิบัติในร่างกายเรารู้สึกเอี่ยมสะอาดเนี่ยคนมีปัญญามันจะคิดไปไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันสอนกันเละเทะไปหมดคนที่พึงปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันโดนเขาเล่ามาแล้วกับประเภทหางอึง น, นะเป็นหางเฮี้ยหมดนะเฮี้ยก็ยังกินหางได้ไอ้คนเฮี้ยเนี่ยหางมันไม่พ่กินไม่ได้นะนอนไม่หลับ คนที่หลงอยู่ในกิเลสนั่นเองเอาละเชาๆอย่างนี้ได้แนวเยอะมากได้ดูเหตุรู้ปัจจัยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอนี่หม่นครับค่อยๆถอนสมาธิแล้วค่อยๆฝึกไป